เวลาเกิดเรื่องแม้หน้าว้าวุ่นขนาดไหนก็อย่าพูดด้วยอารมณ์แบบเวียงแหไม่หยุดสมองเป็นอวัยวะที่สู่พลังงานมากที่สุดและการพูดคุยด้วยอารมณ์ก็เป็นการใช้พลังสมองสิ้นเปลืองที่สุดคุณจึงรู้สึกว่าหมดแรงแบบเหนื่อยเปล่าตอนต้องพูดวก ว, วนอยู่กับเรื่องเดิมๆ ด, ด้วยอารมณ์แทนที่จะพูดตัดตรงเข้าสู่บทสรุปด้วยเหตุผล ไม่ว่าร่างกายของคุณจะรับอาหารหรืออากาศเข้าไปเท่าไหร่ผลิตพลังงานขึ้นมาได้แค่ไหนสมองจะแบ่งเอาไปใช้ 20% เอร์เซนทั้งที่มันมีน้ำหนักเพียง 2% เปอร์เซนของร่างกายเท่านั้นไม่ว่าผู้หญิงจะงองแ ง, งตามอารมณ์ชัดๆหรือผู้ชายจะบ้าพลังพงรางรูเหตุผลแค่ไหนในที่สุดถ้าเบื้องหลังคือโทสะอันเป็นความร้อนขับดัน ให้เกิดการอยากพูดอยากพูดเพียงเพื่อระบายความเก็บกดในอกอย่างไรสมองก็ต้องรีบพลังออกมาใช้แบบฟุ่มเฟือยผิดปกติเหมือนต้องเหนื่อยเปล่าร่างกายสูญเสียเรี่ยวแรงมหาศาลสุดท้ายจึงเหลือแต่อารมณ์วกวนฟุ้งซ่านขี้เกียจคิดขี้เกียจทำอะไรอีกแม้พูดแค่ชั่วโมงเดียวก็รู้สึกเปลี่ยเปลี่ยยิ่งกว่าเมื่อต้องทางานหนักแบบคิดเป็นระบบทั้งวันเสียอีก นั่นเพราะการคิดทำงานเป็นระบบไม่ใช่แค่รีดพลังงานมาใช้ยังมีเป้าหมายแต่ยังมีผลให้ร่างกายหลังสารดีๆออกมาแล้วก็พยุงระบบหายใจให้มีคุณภาพเป็นรางวัลสำหรับการมีสติตรงข้ามกับการคิดพูดพายเรือวนอยู่ในอ่างที่รีดพลังงานมาใช้ไปเรื่อยๆแบบไร้เป้าหมายแถมอารมณ์ลบยังเป็นเหตุให้หลังสารเสี ย, สยแลวก็หายใจขัด ลดพลังงานผ่านลมหายใจดีๆลงเวลาเกิดเรื่องแม้น้าวาวุญนขนาดไหนก็อย่าพูดด้วยอารมณ์แบบเวียงแหะไม่หยุดเพราะอารมณ์อยากบ่นกระปอดกระแปดจะปลุกเร้าคนฟังให้ปลอยฟุ้งซ่านอยากบ่นอยากด่าคนน้นคนนี้ตามไปด้วยสุดท้ายก็ร่วมกันปล่อยพลังทิ้งเปล่ากันทุกฝ่ายแทนที่จะตั้งเป้าให้ดีว่าจะหาทางออกอย่างไร และคุมใจให้อยู่ในร่องในรอยไปสู่เป้าหมายดีๆกันถ้าพูดแบบไม่ลืมเป้าหมายภายในใจมีแต่เป้าหมายแจ่มชัดคุณจะรู้สึกว่ายิ่งพูดยิ่งมีสติและพูดถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกว่าจบได้ไม่ต้องอ้อยอิงไม่ต้องวนกลับมาที่เก่าหรือถ้าจะระบายความอัดอั้นตันอกเส้นหน่อยก็มีสติรู้ว่า นี่เป็นช่วงเวลาเล็กๆที่จะระบายไม่ใช่เปิดโอกาสให้เวลาใหญ่ๆรีดพลังชีวิตออกมาพายเรือในอ่างเพิ่มความเข้มข้นให้อัดอั้นหนักเข้าไปอีก